บุกทูสิบเจ็ดเซปติงปัสมิรอบบ้านมายาสบ้านของเราอยู่ที่นี่เจอิร์มูซุมายาหลังคาอยู่ข้างบน อ u k š ā ir j, um j u ja m ยุมต์ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างเล p ยอิรปากรัป n ์มีสว n อยู่ข้างหลังบ้าน i อ d ์ r s m ยสอิรดาร์สไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านมารนล มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน Blockus mai irkuoki อพาร t ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ s h a irmams z ī v o ok k l i s ห้อ e งครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ s h a irvirtuve u n v a n n a s istaba ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี ā ā ่ตุร์อิร์จีโวยมาอิสต a บะอุนกุยมอิสตบประตูบ้านปิดม้า a ส์ดูร์วิสอิรไอส์เล็แต่หน้าต่างเปิดเบทลูว์วันนี้อากาศร้อน สวเดนอิรคาร์สเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นเมสเอยมซิวอยมาอิสตาบามีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นทรอิรดีวานสุนอตูตสเสส์เชิญนั่งค่ะเซดิติส คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นตูร์ไอร์มันส์ดัตสเตอรีโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น t ูร r ไอร์มานาสเตอรีโอเอชุดทีวีเป็นของใหม่ Tele